คนเราเนะเวลามาถวายทานจะเป็นใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานนะก็อยากจะได้บุญนะครานี้คาว่าบุญเนี่ยก็ต้องรู้จักแล้วเข้าใจให้ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจผิดคล้าดเคลื่อนเยอะยกตัวอย่างง่ายๆนะเวลาจะ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 เป็นบุญที่เรียกว่านะปตานุโมทนามมยเอ่อเรียกว่าปฏิทานไม่นะปฏิทานไม่ก็คือว่าการอุทิศนะบุญกุศลให้กับผู้อื่นนะจะเป็นผู้ลงรับจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่เดือนนี้เนี่ยเราไม่เพียงแต่หวงเงินนะเดี๋ยวเราหวงบุญกันล้ จะอุทิศหรือจะอแผ่บุญกุศลให้ใครนี่ก็นะไม่พอใจนะไม่อยากทำเพราไปคิดว่าบุญกุศลนี่มันก็เงินนะยิ่งให้เงินในกระเป๋าเราก็ยิ่งเหลือน้อยลงแต่บุญไม่ใช่อย่างนั้นนะบุญในะยิ่งให้นะเราก็ยิ่งได้นะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีบางคนเข้าใจไปว่าเนี่ย เวลาพระจะให้พรหรือว่าจะเหมือนกับจะอุทิศบุญกุศลให้ใครนะถ้ามีคนอื่นมาร่วมรับพรด้วยมาร่วมรับบุญด้วยก็จะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะแบบนี้ก็มีนะมีเพื่อนที่เป็นพระรอยฟังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาถนะวายสังฆทาน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 แต่ถ้าคนเยอะนะแต่และคนก็ได้น้อยลงเพราะต้องหารเฉลี่ยให้เท่าๆกันอาหารก็เหมือนกันนะอาหารถ้ามีเยอะแต่คนกินก็มีเยอะด้วยนะแต่และคนก็ได้น้อยลงนะแต่บุญเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพรก็เหมือนกันจะ ก, กี่คนกี่คนรับพรรับบุญนะมันก็ได้เท่ากันที่ยังจะว่าได้เท่ากันก็ไม่ถูกนะ้ำอยู่ที่ใจถ้าใจตอนนั้นเนี่ย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 นะเติมน้ำใสน้ำขาวลงไปนะมันก็ได้แค่ครึ่งเดียวที่เหลือก็ล้นหมดนะใเวลาเรามาทำบุญเนี่ยก็ต้องทำใจให้ให้โปรง่งให้โล่งสบายนะจึงมีประเพณีว่าก่อนที่จะถวายสังกะสานก็ให้มีพิธีกรรมสักเล็กน้อยก่อนนะนะเช่นก่าวนโมสามจดนะแล้วก็ก่าวคำบูชาพระตนะไตร แล้วก็จะมีการสมาทานศีลด้วยทัหมนี้ส่วนนี่นก็เพื่อทำให้ใจสงบใจโรงโปร่งนะจะได้เกิดความปิตินะเวลาถวายทานนะทั้งก่อนระหว่างแลว้วก็หลังจากที่ถวายทานแล้วถ้าถวายระหว่างที่ถวายเนี่ยกังวลว่าไม่มีใครถ่ายรูปเลยแล้เดี๋ยวจะไปขึ้น Facebook ยังไงเนี่ยจิตใจก็หม่นมองแล้ว เดี๋ยวนี้นี่จะถ่ายจะทำบุญนี่ต้องมีคนมาถ่ายรูปนะพอไม่มีใครมาถ่ายรูปนะหรือลืมเอากล้องมาเนี่ยหรืมอมาโทรศัพท์มาไม่สบายใจจิตใจหมนมองแล้วไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ได้บุญน้อยเพราะว่าจิตใจไม่โปรง่งไม่โลง่งนะแล้วเวลาทำบุญเนี่ยนะถวายทานถวายสังฆทานนะจะกรวดน้ำก็ได้ไม่มีน้ำ ก็นึกในใจก็ได้นี่กเขาเรียกวโกรดแห้งนะนึกถึงผู้ที่ล่วงรับที่เราอยากจะอุทิบุญกุศลไปให้นะแล้ก็ไม่ต้องรอว่าพระจะสวดยัตถาหรือเปล่าเลาวก็ไม่ต้องจอดจงได้ว่าต้องสวดยัตถาเท่านั้นนะเคยไปบินทบาทนะในแถวหมู่แถวบ้านตาดินทองอ่ะก็มีชาว บ, บ้านคนหนึ่งนะก็เพิ่งกลับมาจากในเมืองนะ สงสัยจะไปทำงานมาหลายปีสายบาสเลยก็รอกรวดน้ำอัตมาก็เริ่มต้นด้วยว่าอภิวาทนาสีเธอก็ไม่ยอมกรวดน้ำสักทีจนจบแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหลวงพ่อสวนจัตถาหน่อยอก็อภิวาทนาสีเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจัตถาอยู่แล้วนะ แล้ก็เข้าใจว่าต้องยะถาเนี่ยถึงจะได้บุญเยอะนะถ้าไม่ยะถานี่ได้บุญน้อยไม่เกี่ยวกันเลยมันอยู่ที่ใจนะพระเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จได้ด้วยใจจะทําบุญเน่ยอยที่ใจเป็นสำคัญนะบุญจะได้มากหรือน้อยอยู่ที่ใจนะแล้วก็ไม่อยู่ที่ว่าเจ้าตัวนี้ต้องเป็นคนถวายด้วยมือหรือเปล่าบางรายนี่เป็นเจ้าภาพ ทอกะถิ่นได้เป็นผู้หญิงถึงเวลาจะทอดผ้าก็ให้สามีทอดพอสามีทอดผ้าเสร็จตัวโยมผู้หญิงคนนี้ก็กักงวลว่าเราจะได้บุญหรือเปล่านะเพราะเราไม่ได้ถือผ้าเองนะที่จริงเนี่ยมันไม่จาเป็นว่าต้องถือผ้าเองหรือว่าถวายผ้าเองประเคนผ้าเองแค่ ทำใจให้โปรงโร่งรู้สึกปิติยินดีก็ได้บุญแล้วนะแต่ว่าพอจิตใจกังวลกังขาสงสัยว่าเนี่ยเราจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้บุญที่ได้เนี่ยมันน้อยลงเพราะจิตใจหมดหมองแล้วนะที่จริงเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ถวายผ้าได้นะจะเป็นผ้าป่าผ้ากระถินก็ตามนะ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 เรียกว่าปฏานุโมทนาใหม่นะอย่างมีครนึงนางวิสาขาถวายนะถวาย เ, าเรียกว่าศาราเนี่ยเรียกว่าทําสร้างอย่างดีเลยนะถวายกระสงนะเพื่อนของนางเนี่ยไม่มีเงินก็นุโมทนาเสมือนกับว่ายินดีเสมือนกับว่าเป็นผู้ถวายเองนะร่วมนุโมทนายินดีนะในนางวิสาขา บอกว่าพอตายนี่นะก็มีวิมานนะบนสวรรค์รองรับนะนาะงก็สงสัยว่าวิมานนี้ได้มาจากไหนนะก็ได้คำตอบอกได้มาจากการที่อนุโมทนาในบุญนะที่นางวิสาขาทำไว้อันนี้ไม่ต้องใช้เงินนะแค่มีจิตใจยินดีใครทำความดีก็อนุโมทนาไม่อิจฉาเขาไม่อิจาแม้กระทั่งว่าเขาถวายเยอะส่วนเราถวายน้อยนะไม่มี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 มาอยู่ในวิมานนี้ก็ได้คำตอบว่าเป็นเพราะว่าบอกทางนะบอกทางคนมาทาบุญนะให้ได้ว่าการทำบุญเนี่ยมันทำได้หลายวิธีมากเลยนะไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะทำเสร็จนี่นะพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องรองนะและถ้ายิ่งได้แล้วเนี่ยได้บุญแล้วก็ควรจะยิ่งเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นนะอย่าเป็นกบุญนะสมัยนี้เนี่ยเรา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 การกระทําทางโลกของเราเนี่ยมันสะอาดมันบริสุทธิ์มากขึ้นเรากับเอาความคิดทางโลกที่มันมีความแก่ตัวนะตัวใครตัวมันเนี่ยมาใช้กับการทําบุญมาใช้กับศาสนานะเวลาพระจะให้พรนะก็มีให้คนมารับพรเยอะเดี๋ยวกลัวว่าพรที่ตัวเอาจะ จ, จะน้อยลงเพราะว่ามีคนมารับมารับพรเยอะพรมันก็ต้องกระจายไปคนอื่นนะอันนี้ไม่ใช่โปรยฐานนะโปรยฐานเนี่ยนะ ถ้าคนเยอะเราก็ได้น้อยนี่คิดเอาแบบทางโลกนะอะไรที่มีมากมากถ้ามีคนมารับเยอะส่วนแบ่งก็จะเหลือน้อยในเรื่องทางธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งให้ยิ่งได้ผู้ให้ความสุขยิ่งได้รับความสุขเวลาพระจะให้พรเออชวนคนมารับพรด้วยกันนะอันนี้หลาแสดงถึงนิสัยของความเ อ, อื้ อ, อ, อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่ต้องกลัวพรของตัวเองจะได้น้อยลงนะ